พราะฉะนั้นการที่ผู้ปฏิบัตินั้นแม้ว่าจะตอกได้บงังแต่ว่าก็ยังนำเอาสลัสลกอันเก่านั้นกลับเข้าทีเดิมกันอีกกลับไปกลับมากันอยู่ดังนี้การปฏิบัติจึงเจริญไปไม่ได้มากฉะนั้นการที่จะปฏิบัติให้เจริญขึ้นได้มากนั้นจึงต้องพยายามที่จะตอกกันจริงๆ พยายามที่จะไม่นำเอาลิื่มสลักอันเก่ากลับเข้ามาอีกเมื่อเป็นได้ดังนี้แล้วกรรมฐ า, านถึงจะเจริญสมาธิปัญญาก็จเจริญขึ้นไปข้อสองได้ตรัสสอนไว้ต่อไปว่าแม้เมื่อปฏิบัติ ทำไม่ในใจกำหนดนิมิตรอื่นจากมิตรที่ก่อให้เกิดกิเลสนั้นแต่ว่าอากุศลธรรมอกุศลุบิตตกทั้งหลายก็ยังเกิดขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้พิจารณาโหดของอกุศลลบิตตก ของอกุศลธรรมเหล่านั้นว่าความตึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายเป็นอกุศลคือเป็นกิจของคนที่ไม่ฉลาดเป็นสิ่งที่มีโทษอย่างนี้อย่างนี้ และเมื่อพิจารณาดังนี้จนจิตใจนี้เห็นโทษของอกุศลุบิตกของอกุศลธรรมทั้งหลายอากุศลุบิตกอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็จักสงบไปได้ตัดเปรียบ เป็นข้ออุปมาไว้ว่าเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวที่กำลังรักสวยรักงามย่อมอึดอัดย่อมรังเกียจรละอาไม่ต้องการในเมื่อเห็นซากศพของงูของสุนัขหรือซากศพของคนคล้องอยู่ที่คอของตน ย่อมสลัดออกทิ้งไปเสียโดยเร็วฉัน้นใดก็ดีผู้ปฏิบัติเมื่อพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตตกทั้งหลายของบาปอากุศลทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นงกลุ่มรวมกิจใจอยู่ เมื่อจิตรับรู้มองเห็นโทษก็ย่อมจะสลัดอากุศลวิตกอากุศลธรรมเหล่านั้นออกไปจากจิตไม่รักษาเอาไว้อากุศลธรรมทั้งหลายอากุศลวิตกทั้งหลายก็จะสงบไปได้ในข้อนี้ ได้ตรัสสอนเราเมื่อใช้ข้อหนึ่งยังไม่สำเร็จก็ให้มาใช้ข้อสองพิจารณาดูว่าทำไมจึงไม่สำเร็จตามที่ตรัสสอนไว้ในข้อสองนี้ก็ชี้แล้วว่าเพราะยังมองเห็นคุณ ของอากุส ล, ลวิตกทั้งหลายอยู่ของนิมิตแห่งกิเลสทั้งหลายอยู่จึงยังมีนันทิความเพลินราคะความติดใจ ย, ยินดีอยู่ในนิมิตเหล่านั้นก็แปลว่ายังพอใจอยู่ในนิมิตหลับอันเก่า ยังมีราคะติดใจ ย, ยินดีมีนั้นที่ความเพลินอยู่ในริมสลักอันเกา่ายังไม่ยอมที่จะให้ถอนออกไปจึงยังรักษาเอาไว้ยังต้องการอยู่ในบางคราวก็ว่าจะปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติทำกรรมฐานเช่นทำอาณาปานสติก็ทำไป แต่ว่าไม่ได้มุ่งที่จะให้ถอนริมสลักอันเก่าดังกก่าวนี้ออกบางทีเมื่อจิตได้สมาธิบ้างสมาธินั้นก็เท่ากับว่าริมสลักอันใหม่ลงไปดันเอาลิมสลักอันเก่าหลวมหรือว่าโยครอนหรือว่าหลุดออกไปได้บ้างแล้วแต่ยังไม่จริงจังอะไรนะัก เรายังพอใจยังติดอยู่ในริมสลักอันเก่าคือเรียกว่ายังไม่เห็นโทษเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าไม่สาเร็จเพราะว่าจิตนี้เองยังมีราคะติดใจนั้นที่เพลินอยู่ในริมสลักอันเก่ายังไม่ต้องการที่จะถอนจริงฉะนั้นจึงต้องพิจารณาเห็นโทษ ติดตัดสอนไว้ในข้อที่สองวารีมสลับอันเก่านั้นมีโทษคือกามคุณนามณรมทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคุณหรือว่ามีคุณก็มีคุณน้อยแต่ว่ามีโทษมากให้มองเห็นดังนี้จนถึงให้มองเห็นเหมือนอย่างว่าเป็นศักศพของ มูของสุนัขของคนแขวนอยู่ที่คอเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นซากศพ ด, ดังกล่าวแขวนอยู่ที่คอคนที่รักสวยรักงามก็จะต้องสลัดออกทิ้งทันทีไม่ต้องการฉะนั้นเมื่อพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกทั้งหลายของอกุศลธรรมทั้งหลาย ที่คล้องติดอยู่ในจิตจิตก็ยอมต้องการที่จะสลัดออกไม่ติดใจไม่ยินดีเมื่อเป็นดังนี้ก็จะตอบเรี่มสลักอันใหม่ลงกันไปอย่างจริงจังมีความเพียรอย่างจริงจังมีความรู้ตัว ไม่ทิ้งตัวอย่างจริงจังมีสติกำหนดจริงจังและพิชายินดีโทมนัตยินไร่กันอย่างจริงจังก็จะตอบให้หลุดไปได้เมื่อตอบหลุดไปได้ก็เป็นอันว่าอากุศลวี่ตกทั้งหลายอากุศลธรรมทั้งหลายตกลงสงบลงไป ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูละตั้งใจทางความสงบสึกต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุ ก, ท, กท่าน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 ทมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนกรรมฐานตามในยยที่ได้แสดงไว้ ในวิตต ก, กะสันฐานสุดจะได้แสดงข้อที่สามกลัดสอนไว้มีความว่าเมื่อได้พิจารณาโทษ าอากุศลนุวิตกทั้งหลายแต่อากุศลนุวิตกทั้งหลายอันประกอบด้วยความพอใจในกาม บ, บ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างก็ยังเกิดขึ้นอยู่ก็ให้ปฏิบัติด้วยวิธีที่ไม่ทำสติคือไม่ระลึกถึง ไม่ทำความใส่ใจถึงเมื่อทำได้ดังนี้อกุศลลบิตกคือความตึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็จะดับหายไปเหมือนอย่าง บุคคลภูมีจักสุขมองเห็นรูปที่อยู่ในคลองจักสุขจำเพาะหน้าเมื่อไม่ปรารถนาที่จะเห็นรูปนั้นก็หลับตาเสีย หรือหันหน้าไปเสียทางอื่นตามวิธีปฏิบัติที่ตรัสสอนไวน้นี้พิจารณาดูก็ย่อมจะเข้าใจว่า อันการที่ความตึกนึกคิดทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลก็เพราะว่าทาสติคือระลึกถึงหรือนึกถึง กำหนดถึงทำไว้ในใจคือใส่ใจถึงถ้าหากว่าไม่ระลึกถึงไม่ใส่ใจถึงความคิดนั้นๆก็จะไม่บังเกิดขึ้น อันความไม่ระลึกถึงไม่นึกถึงไม่กำหนดถึงไม่ทำไว้ในใจคือไม่ใส่ใจถึงอาจจะเป็นเพราะลืมไปแล้วก็ได้ หรือว่าไม่ได้หวนระลึกถึงไม่ได้หวนใส่ใจถึงเมื่อเป็นดังนี้ความตรึกนึกคิดถึงเรื่องนั้นๆก็ไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจ ความตระนึกคิดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนั่นก็เพราะว่าระลึกถึงนึกถึงกำหนดถึงใส่ใจถึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ประสงค์ที่จะ ตึกนึกคิดถึงเรื่องใดก็ต้องไม่นึกถึงระลึกถึงกำหนดถึงใส่ใจถึงเรื่องนั้นหากทําได้ดังนี้ความตึกนึกคิดถึงเรื่องนั้นก็จะไม่บังเกิดขึ้นหรือแม้บังเกิดขึ้นแล้ว เมื่อหยุดความระลึกความนึกความกหนดถึงได้หยุดใส่ใจถึงได้เรื่องนั้นก็จะหยุดจะดับหายไปจากใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนไว้เป็นข้อที่สามว่า เมื่อใช้ข้อหนึ่งข้อสองยังไม่บังเกิดผลก็ให้ใช้ข้อที่สามคือหยุดนึกถึงแล้วลึกถึงกำหนดถึงหยุดใส่ใจถึงเหมือนอย่างเห็นรูปอะไรอยู่เฉพาะหน้าต้องการที่จะไม่ดูก็หลับตา หรือว่าหันหน้าไปเสียทางอื่นรูปนั้นก็จะพ้นไปจากครองจากสุพ้นไปจากสายตาการขัดปฏิบัติตามข้อที่สามนี้หากว่าได้ลองขัดปฏิบัติดูบ้าง ก็ย่อมจะได้ผลถ้าไม่เช่านั้นก็จะไม่ตรัสสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติในข้อที่หนึ่งข้อที่สองยังไม่ได้ผลก็ให้มาปฏิบัติในข้อที่สามข้อที่สี่เมื่อปฏิบัติในข้อที่สามไม่ได้ผล จะเป็นเพราะไม่สามารถที่จะหยุดนึกหยุดคิดหยุดกำหนดถึงหยุดใส่ใจถึงได้ก็ให้มาปฏิบัติให้กำหนด สังขารคือความปรุงสันฐานคือสวดทรงรูปร่างของวิตกคือความปรึกนึกคิดก็คือสู้วิธีที่สามนั่นเป็นวิธีบายเบียง ายเบี่ยงความคิดแต่ว่าวิธีที่สีน่นี่เป็นวิธีสู้ความคิดคือให้กลับมากำหนดดูตัววิตกคือความตรึนเนืกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายนั่น ดูให้รู้จักความปรงุงดูให้รู้จักสันฐานคือสวดสงของไม่ตกคือความฝึกนึกคิดดูให้รู้จักความปรุงนั่นก็คือว่าดูจิตใจที่คิดปรงุง เป็นความลึกนึกคิดอย่างนี้อย่างนี้ว่าใจใจนี้ปรุงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อกำหนดดูใจที่ปรุงดังนี้ก็ย่อมจะรู้ ว่าใจนี้กำลังคิดถึงเรื่องอะไรคิดอย่างไรและดูสันฐานคือสวดส่งของวิตกคืยความปรึกนึกคิด ว่าความตึกนึกคิดที่กำลังเป็นไปอยู่นี่แรงหรือว่าอ่อนและมีลักษณะหน้าตาเป็นไป ในทางไหนเป็นไปในทางความพอใจรักใคร่หรือว่าเป็นไปในทางขัดเคืองโกรธแค้ น, รนหรือว่าเป็นไปในทางหลงไม่รู้ ดูตัวความคิดของตัวเองที่ปรุงแต่งว่าจับเอาเรื่องนั้นมาคิดจับเอาเรื่องนี้มาคิดแล้วคิดไปอย่างนี้คิดไปอย่างนั้นมีสวดทรงลักษณะหน้าตาที่พุ่งไปแรงก็มีพุ่งไปไม่แรงก็มี ก็คือว่าปล่อยให้จิตคิดจะคิดอย่างไรก็คิดเช่นว่าจิตกําลังคิดไปในทางความพอใจรักใคร่ยินดีหรือว่าจิตคิดไปในทางโกรธแค้นขัดเคืองหรือว่าจิตจิตคิดไปในทางหลงไหล ฝ่ฝันก็ให้จิตคิดแต่ว่าดูค่อยดยูจิตที่คิดอยู่นั้นว่าคิดไปอย่างไรเอาอะไรมาคิดบ้างมีลักษณะของการคิดเป็นยังไงคือดูการปรงุงดูลักษณะ สวดทรงหน้าตาของความคิดว่าเป็นอย่างไรให้อยู่ในความรู้อันการปรุงนั้นถ้าจะเปรียบกับปรุงอาหารการที่จะต้องการใ้อาหารมีรสเค็มก็ต้องเติมเกลือลงไป เปี้ยก็ต้องใส่มะนาวลงไปเผ็ดก็ต้องใส่พริกลงไปจิตก็เหมือนกันจิตที่ปรุงคิดก็เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาใส่เมื่อเอาความกาหนดหมายว่างดงามมาใส่เข้าก็ปรุงคิด ไปในทางเป็นการฉันเมื่อเอาอสุภนิมิตมาใส่เข้าก็จะปรุงคิดไปในด้านสงบถ้าเอาปฏิฆนิมิตมาใส่เข้าคือกำหนดในทางกระทบกระทั่งก็จะเป็นไปในทางโทสะพยาบาทถ้าเอาเมตตานิมิตมาใส่เข้า ก็จะเป็นไปในทางเมตตากรุณาสงบเย็นสุดแต่จะเอาเอะไรมาปรุงเข้ามาใส่เข้าก็ดูให้รู้จักเครื่องปรุงเหล่านี้เอาอะไรมาปรุงปรุงยังไงเรื่องอะไรแล้วเป็นไปในทางอย่างไรและเมื่อคอยตามดูจิตของตน รู้ความปรุงแต่งรู้สันฐานสวดทรงของความคิดว่าเป็นอย่างไรให้อยู่ในความรู้อยู่ดังนี้ความวิตกคือความปรึกนึกคิดที่เป็นไปอย่างเร็วและอย่างแรงก็จะช้าลงและเบาลง และก็จะช้าลงเบาลงโดยลำดับจนถึงสงบได้ในที่สุดจะเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องบังคับเพียงขอให้ดูเท่านั้นเหมือนอย่างพี่เลี้ยงที่ปล่อยเด็กให้ ยืนอยู่ในที่จำเพาะหน้าตามองเห็นแล้วก็ปล่อยเด็กจะเดินจะนั่งจะนอนจะวิ่งจะทำอะไรก็ปล่อยแต่ว่าให้อยู่ในสายตาให้รู้ว่าเด็กทำอะไรอยู่ที่ไหนจิตนี้ก็เป็นเหมือนอย่างนั้นคอยดูจิตที่คิดไปอย่างไรให้รู้ จะคิดอย่างไรก็คิดไปแต่ว่าคอยตามไปคือตามดูให้รู้เมื่อเป็นดังนี้ความคิดที่เร็วที่แรงก็จะอ่อนจะช้าจนถึงสงบดังกล่าวมาแล้วได้ตรัสอุปมาไว้เหมือนอย่างว่าคนที่กำลังเดินเร็ว เมื่อคิดว่าเราจะเดินให้ช้าลงก็จะเดินช้าแล้วเมื่อคิดว่าเราจะหยุดยืนก็จะหยุดยืนเมื่อคิดว่าเราจะนั่งก็จะนั่งลง เมื่อคิดว่าเราจะนอนก็นอนลงคือว่าดูอิริยาบถของตนและก็คิดให้อิริยาบถ ท, ที่เคลื่อนไหวไปโดยเร็วและแรงนั้น ให้เคลื่อนไหวช้าเข้าเบาโดยลำดับและในที่สุดก็นอนลงขันใดก็ดีเมื่อคอยตามดูจิตของตนที่คิดไปอย่างไรดังนี้เรียกว่าเอาจิตนี่แหละเป็นตัวกรรมาฐาน กำหนดจิตจิตคิดเป็นองไรอย่างไรก็คิดแต่ว่าดูดูความปรุงของจิตดูสันผานสุดทรงของจิตและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตก็จะสงบลงได้โดยลำดับจนถึงหยุดสงบตั้งอยู่ในภายใน ได้จัดส้อนไว้ต่อไปอีกเป็นข้อสุดท้ายว่าเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็ยังไม่สาเร็จอีกเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องใช้วิธีบีบคั้นวิธีข่มกิจทางร่างกายช่วย